หากเรามีสติและมั่นบริหารชีวิตให้ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งก็สามารถรักษาให้หายได้ใครที่ขี้หลงขี้ลืมมั่นเจริญสติแล้วความจำจะดีขึ้น ดรสนองวรอุไรทุกครั้งที่ผมมาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เอามาเพื่อแผ่แบ่งปันในการให้แง่คิดให้กำลังใจ ให้ที่พึ่งซึ่งเราสามารถที่จะนำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันในทั่วเป็นสิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์คือฟังแล้วได้แง่คิดแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติผลออกมาก็คือความหมดปัญหาทางด้นานจิตใจอย่างเช่นเรื่องการเจริญสติเนี่ยผมถือว่าสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยซึ่งทุกท่านเนี่ยจะต้องพลาดไม่ได้พลาดอย่างอื่นพลาดได้นะแต่พลาดเรื่องการมีสติเนี่ยมันเสียหายมากเพราะว่าประโยชน์ของสติเนี่ยมีมากเหลือเกินถ้ามีสติแล้เนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ปัญหาชีวิตได้เนี่ย ชีวิตมันก็หมดปัญหานะแล้วความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมันเป็นการทําให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ต้องมาเจริญสติกันผู้ที่เจริญสติอยู่เนืองๆเนี่ยจะสามารถเอาชนะทุกทางด้านร่างกายได้นะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางทีมันหายด้วยการเจริญสติโรคไมเกรน ปวดศีรษะนอนไม่หลับโรคกระเพาะอาหารโรคความบันโรคหัวใจแม้กระทั่งโรคมะเร็งสามารถทำให้หายได้เมื่อเราจเจริญสติก็มีตัวอย่างมากมายอันนี้คือด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจเนี่ยเรามีสติอยู่เนือ ง, งเนื่องจิตใจเราเนี่ยที่มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบลงได้นะ ทำให้จิตสงบได้ให้จิตเป็นปกติได้เป็นคนที่ไม่ขี้หลงขี้ลืมสติทําให้เราจำอะไรได้ง่ายๆจำแม่นถ้าฝึกสติอยู่เสมอๆแล้วก็จิตจะมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับการฟังเก็บข้อมูลเรื่องราวที่ฟังได้ดีเรียนเก่งเวลาไปสอบก็ทำคะแนนได้จำได้เพราะจิตใจไม่เลื่อนลอย จำแม่นไม่ขี้หลงขี้ลืมโรคประสาทโรคจิตมันก็ไม่เกิดขึ้นแม้แต่โรคความทุกข์ตรนจิตใจจะไม่มีหน้าความบิตัวกังวลหลายอย่างคุณจะทำทั้งหลายเนี่ยมาจากการเจริญสติทั้งนั้นแหละถ้าเจรินายผลแล้วก็มีมากมายอันนี้ตัวเป็นที่พึ่งของเราได้แต่เรื่องการเจริญสติเนี่ยเราจะอ้อนวอนเอาขอเอาจะาคลายนี้ไม่ได้หรอกเราต้องทําด้วยตัวของเราเอง ด้วยฝีม้าลายมือของเราเองเพราะมันมีอยู่แล้วในตัวเราแต่ว่ามันยังน้อยหน่อยยังไม่ค่อยเพียงพอเราจรึงต้องเจริญให้มันมากขึข้นเอาไว้ทำให้มากข้เขาไว้คือการทําความรู้สึกตัวเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราทําได้สติถ้ามาเราอยู่กับปัจจุบันนะเราก็ทําไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยไม่ต้องกลัวผิดการเจริญสติเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะผิดถูกนี่เป็นเพียงสมมติ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เสมอๆนี่มันก็ถูกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวผิดมันไม่มีหลอกผิดไม่มีหลอกถูกมีแต่รู้ทันหรือไม่ทันเท่านั้นสรุปลงที่รู้กับหลงถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็เราหลงก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็กลับมารู้ตัวนั้นมีตัวรู้กับตัวหลงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันคลองติตคลองใจเราอยู่ดูซิว่าอะไรมันมากกับกันแต่ละวันเราก็ไม่ต้องไปขับไล่ตัวหลงหรอก เราเพียงแต่สร้างตัวรู้ขึ้นมาโดยการเจริญตัวรู้ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละมันก็จะทําลายตัวหลงไปเองเหมือนอย่างกับว่าความสว่างมาความมืดก็หายไปเพราะฉะนั้นการเจริญสตินะ่ะต้องทําไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องไปกังวลถึงตําราตําราจะว่าอย่างนั้นจะว่าอย่างนี้ตําราของใครครูบาอาจารย์ไหนโอ้นี่ไม่สําคัญหรอก อย่าไปกังวลตำราท่านเขียนไม่ถูกแล้วอันนั้นอยู่ในตัวหนังสืออยู่ในหนังสือในกระดาษไม่ใช่ของจริงนะของจริงคือเราต้องทําขึ้นมาคือจเจริญขึ้นมาให้มากๆจากเนื้อจากตัวของเราเนี่ยแหละจากกายจากจิตของเราเนี่ยอย่าไปกังวลเกี่ยวกับตาําราจิตเรามันจะไม่ปกตินะมันจะฟุง้งซ่านจะสงสยัยยิ่งอ่านตําราดียิ่งสงสัยนะเพราะนั้นยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ปัจจุบัน แต่ถ้าเราละลึรกรู้ลงไปที่กายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวๆนี่แหละหรือรู้ลงไปที่จิตที่ใจของเราเนี่ยในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นปกติเนี่ยก็ถูกต้องแล้วรู้กายรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเป็นปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วสั้นๆไม่ต้องไปอ่านตำาราลองมือทํำเลยไม่เช่นการมารู้กายเนี่ยลองเคลื่อนมือเบา ลองพลิกมือเล่นๆลนนองทำดูได้เลยรู้กายที่มันเคลื่อ น, อนไวๆไว้แล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเมื่อมันเคลื่อนเราก็รู้สึกเวลามันหยุดเราก็รู้สึกมันจะมีอาการหนักๆตึงๆไวๆเนี่ยคือเรื่องของกายเป็นตัวปรมัต ธ, ธรรมเรารู้ลงไปที่อาการที่มันเคลื่อนที่มันหยุดของกายอันนี้เราก็รู้สึกตัวได้แล้ว นี่การรู้กายรู้กายนี่ไม่ใช่ไปรู้ที่มือรู้ที่เท้าหรือรู้ที่ชื่อไม่ใช่นะรู้ที่อาการที่มันเคลื่อนเคลื่อนหยุดหยุดไว้ไว้ตึงตึงแน่แนๆรู้ที่อาการของมันนะเนี่ยที่ว่ารู้กายนอกเหนือสมมุติไปล้เป็นตัวปรมัต ธ, ธรรมการรู้กายเนี่ยดีร้ายทําให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันเรื่องของกายเนี่ยเราสังเกตดูบ่อย มันจะเป็นปัจจุบันมากตามรู้ตามดูกายเคลื่อนไหวในเบียบทน้อยใหญ่ชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันพอเคลื่อนปั๊บรู้ได้ทันทีเลยเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นได้มากจิตที่รู้กายอยู่เนืงน่งเนืองจิตจะตั้งมั่นสติจะตั้งมั่นได้นานเมื่อหลุดไปก็กลับมารู้เนี่ยเผลอไปเรากลับมารู้มันตั้งมั่นได้นานจะไม่หลงไปนานเราจะเห็นทุก์ได้ง่ายๆ เห็นทุกที่กายเขาแสดงออกมาเนี่ยง่ายชัดเจนเราอยากเห็นธรรมเนี่ยเราก็ต้องเห็นทุกที่กายเรานะกายแสดงความทุกข์มากมายถ้าเลยได้เราก็จะไม่เข้าใจเราลองสังเกตดูก่อนเรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องของทุกขถ้ามีกายก็อย่าหมายว่ามีสุกนะกายไม่มีสุหแบบมีแต่ทุกขตลอดสายเกิดเกิดดับดับเรื่องของทุกขในกายแต่อย่าเข้าไปเป็นนะเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ไว้เฉย ถ้าเราตามรู้กายไปนานๆนี่มันจะเห็นรูปเป็นนามนะอารมณ์รูปนามนจะเกิดชัดที่เรามารู้กายตามรู้กายเช่นเนี่ยที่เรากําลังเคลื่อนไหวเมื่อกี้เนี่ยเราลองเคลื่อนไหวดูที่มันกําลังเคลื่อนเคลื่อนไหวๆอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรูปพอคิดนึกไปทางนูน้นอันนั้นเป็นนามเห็นรูปเห็นนามมันจิตที่เป็นผู้รู้นี่ก็เป็นนามมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นตัวเราสมมุติว่าตัวเรา แต่ถ้าเป็นรูปนามล้วก็อันนี้เป็นตัวปรมัตรธรรมเป็นตัวจริงที่ไม่มีชื่อมีแต่ความรู้สึกเข้าไปสัมผัสแล้วก็สมมติว่าเป็นรูปเป็นนามเมื่อเราตามรู้กายรู้รูปไปนานๆมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นนะนอกจากจะอยู่กับปัจจุบันแล้วสติตั้งมั่นได้นานเห็นทุกข์ได้ง่ายแล้วก็เห็นรูปเป็นนามชัดเจนเราก็ยังไปเห็นจิตได้เหมือนกัน มันตามรู้กายไปนานๆเนี่ยเราสามารถเห็นจิตของเราได้เพราะจิตกับกายเนี่ยเป็นของคู่กันอาศัยกันเกิดขึ้นกายไม่มีจิตก็ไม่ได้จิตไม่มีกายก็อยู่ไม่ได้จิตกับกายต้องอาศัยกันกายคือรูปจิตคือน้ำสองอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อเราตามรู้กายไปนานๆเนี่ยมันจะเห็น อาจจะไม่ชัดเจนที่จิตแต่เราสามารถไปเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจดูดีๆเะเห็นอาการของจิตคือความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เราเห็นจิตได้จิตเป็นผู้ที่ผลิตความคิดขึ้นมารู้กายเนี่ยไปเห็นจิตได้แต่เราต้องเห็นในอารมณ์ปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยคิดอะไรแต่ถ้าเราเผลอคิดเมื่อไรล้วก็ จิตใจเราก็จะเลื่อนรอยไปในอดีตใอนาคตปรุงแต่งบางทีก็ปรุงแต่งในเรื่องที่ไร้สาระทุกวันเนี่ยถ้าเราขาดสติเราจะเห็นว่าจิตเรามักจะชอบคิดโดยเฉพาะเรื่องอดีตเนี่ยชอบคิดมากอดีตที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่หลายปีไปแล้วก็ยังไม่จบไม่สิน้นทุกเมื่อวานทุกในอดีตยังไม่เพียงพอ เรายังเก็บเอามาคิดให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ปัจจุบันนี้มันก็ทุกข์อยู่แล้วลนะสังเกตดูเลยแต่เรายังเอาอาดีตของความทุกข์เอามาทับถมปัจจุบันให้มันทุกข์มากยิ่งขึ้นยังไม่เพียงพอนะบางทีเราไปคิดวิตกวกังวลถึงอนาคตเอาทุกในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาทับถมหนักกระไปใหญ่เลยแต่ละวันเนี่ยถ้าเราขาดสติทุกในอดีตทุกในปัจจุบันทุกในอนาคตท่วมทับ จ, จิตใจเรา แย่เลยลำบากเลยนะชีวิตที่เป็นอนาถาไม่มีที่พึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นที่พึ่งรักษาจิตใจเราให้เป็นปกติไม่ได้พอเราขาดสติขาดความรู้สึกตัวนี่แนหะเราไปเก็บเอาทุกมาทับถมในปัจจุบั น, นอปุปมาไม่เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้โอ้เรามีขยะมากอยู่แล้วในบ้านเราขยะเต็มไปหมดเลยยัไงไม่เพียงพอยากเอาขยะเมื่อวานนี้มารวมกันอี ขยะ ก, ก็กองโตในบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นให้มีสติเอาไว้ขยะเมื่อวานก็แยากออกไปขยะวันนี้ก็อยากออกไปอย่ามารวมกันโดยเฉพาะเรื่องความคิดเนี่ยเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปถจะคิดก็คิดเอามาเป็นครูสอนจิตสนใจเราให้อยู่กับปัจจุบันเอาไว้เรื่องของอนาคตเนี่ยบางทีต้องวางไว้ก่อนนะเมื่อถึงอนาคตจริงๆเนี่ยเราค่อยแก้ปัญหากันบางทีต้องวางไว้ก่อ น, นะออนถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถวางแผนได้ การเจริญสติเนี่ยทำให้เรารู้กับปัจจุบันรู้ความคิดรู้จิตเริ่มจากการรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวแต่ว่าสามารถเห็นจิตที่มันคิดได้เห็นจิตแล้วเราทํำยังไงจิตเนี่ยเราต้องปล่อยวางนะอย่าไปจิตมั่นถือมั่นมันการดูจิตเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัติทําทั้งหลายในยสรุปลงที่จิตเราต้องดูจิตเห็นจิต การดูจิต ท, ทำยังไงก็ดูไปเรื่อยๆดูอาการของจิตคือดูความคิดเห็นความคิดรู้อยู่ห่างๆอย่าดูแบบจ้องหรือเพ่งเราจะเข้าไปอยู่ในจิตนะแล้วมันจะเครียดดูอยู่ห่างแบบชงเลืองชมเลือ ง, องดูแบบสังเกตคืออย่าดูเต็มร้อยเราจะได้ไม่เข้าไปรวมกับความคิดดูเรื่อยๆบังทีมันคิดรู้มันคิดก็ใช้ได้นะ แล้วก็ต้องดูต่อไปบางทีเราต้องการความสงบพอจะรูสติไปเนี่ยอยากได้ความสงบเพราะมันคิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่ชอบใจแล้วโกรธแล้วเผลิคิดแต่เรารู้ไม่เป็นไรถ้าเผลิดโกรธต่อจากความคิดถ้าเราไม่รู้แล้วก็เราพลาดนวเพราะว่าเผลิโกรธเนี่ยปัจจุบันกว่าเพลิคิดเข้าใจไหมตอนแรกพอมันคิดปับ๊บเนี่ยเรารู้มันคิดเราไม่ชอบใจเกิดความกลัวขึ้นมา มีสติรู้ต่อด้วยอ๋อนี่มันโกรธแล้วอันนี้เพราะว่าอารมณ์เผลอโกรธเนี่ยปัจจุบันกว่าบางท่านนี่จเจริญสติไปเจอความสงบอ๋อรู้ว่ามันสงบแต่ว่าจิตปีติยินดีในความสงบรู้ไม่ทันอ๋อเราสงบแล้วเผลอไปเลยสงบรู้แต่พอเกิดความยินดีไม่รู้ไม่ได้นะเราต้องรู้ให้ต่อเ น, นื่องสงบก็รู้ จิตที่มันยินดีก็รู้รู้ให้ต่อนเรื่องไปจะได้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆสำคัญมากเวลาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยูให้ทันว่าเรามักจะมีทีท่าอะไรกับความคิดนั้นเพราะคนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาปับ๊บจะมุ่งเข้าไปแก้ปัญหาเลยต้องรู้ให้ทันในตัวที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเช่นพอจิตมันคิดไม่สงบปับ๊บเราก็จะไปทำอะไรละจะไปจัดการจะไปขับไล่จะไปเพ่ง จะไปแก้ไขดูตัวนี้ให้ทันการดูจิตดูให้ทันดูตัวที่จะไปแก้ไขที่ไปมีทีท่ากับอารมณ์ที่เกิดขึ้นดูให้ทันพรงนั้นเราคือปัจจุบันกว่านะอันนี้คือการดูจิตชีวิตเราเนี่ยมีกายกับจิตจะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้อะไรเกิดก่อนก็รู้ก่อนถ้ากายเกิดก่อนก็รู้กายสติเกิดที่กายก็รู้กายสติเกิดที่จิตก็รู้จิตสักวันที่ว่าให้เรา ขยันรู้ก็ไว้ขยันรู้เนี่ยเป็นการเจริญสตินะนี่แหละเป็นที่พึ่งที่รึกของเรานะก็คือการหมั่นขยันฝึกสติอยู่เนื่งเนืองเพื่อรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตในอารมณ์ปัจจุบันเพียงแต่เรามีชีวิตอยู่ด้วยการเจริญสติอยู่เนื่งเนืองเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีและก็มีความสุขเพีฉะนั้นถากว่าถ้านผู้ฟังยอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั้นไม่ยาก จะเริ่สติอยู่เนืองๆเถอะมีความสุขความทุกข์ก็จะหายไป